วานี่ก็ได้พูดถึงธรรมะสําคัญหรือธรรมะพื้นฐานนะที่เด็กๆควรจะมีซึ่งถ้ามีแล้วเนี่ยก็ทำให้เด็กเนี่ยเป็นชาวพุทธโดยสาระมไม่ใช่ชาวพุทธแต่ในนามหรือว่าชาวพุทธในที่เบียนบ้านนะธรรมะที่ว่านิคอนเนก็คือนะรู้จักคิดถึงผู้อื่นนะมากกว่าตัวเองอย่างที่บอกนะว่าถ้าคนเราเนี่ยคิดถึงคนอื่นอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปทําตัวเป็นภาระหรือเบียดเบียนคนอื่น เรื่อจะทําอย่างนะคือว่าเออเพื้อเกื้อกูลผู้อื่นด้วยซึ่งมันก็ทําให้การรักษาศีลเนี่ยของเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแร้วมีใจน้อมนําไปในทางนั้นเพราะว่าศีลห้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะไม่เบียดเบียนด้วยการกระทําและคําพูดถ้านึกถึงคนอื่นเนี่ยนะหรือขยายไปถึงสรรพสัตว์เนี่ยมันก็ไม่อยากจะไปเบียดเบียนใคร ในแง่นึงก็ทำให้คุณธรรมเนี่ยของเด็กเนี่ยมันตั้งมัน่นแต่ว่าประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะก็คือทำให้มีความทุกข์น้อยลงมีความสุขได้ง่ายขึ้นถ้าคนเรานึกถึงคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เขามีความทุกข์นะเดือดร้อนประสบความยากลำบากดูเหมือนว่ามันขัดแย้งกันนะ นะคิดถึงคนอื่นแล้วนี่เราจะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงได้เองอะไรที่จริงคนเราเนี่ยถ้าคิดถึงแต่ตัวเองมากๆานี่มันทุกข์ง่ายนะมีความสุขได้ยากแต่ถ้าเราหมกมุ่นกับตัวเองน้อยลงนะไปคิดถึงคนอื่นมากขึ้นอยากจะช่วยเหลือคนอื่นที่เขาทุกข์ยากเนี่ยความสุขนี่มันจะพรั้งพูสู่ใจเราได้ง่ายนะ หรืออยงน้อยๆทำให้ความทุกข์มันน้อยลงโดยเพราะความทุกข์ที่เกิดจากการหมกบุนกับตัวเองเมื่อสมัยที่อาตมา ย, ยัางเป็นวัยรุ่นนะก็ประมาณทั้งห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยมันมีนักร้องดังคนหนึ่งนะเป็นชาวฮ่องกงนะชื่อแอนเนสชานนะแล้วก็เป็นที่นิยมนะในหมู่วัยรุ่นไทยด้วย เพลงของ a g n เ s สชานนี้ก็เปิดตามวิทยุเนี่ยแทบทุกวันเลยช่วงเธอน่าสนใจนะเธอเล่า ว, ว่าตอนที่เธอยุคมาสักสิบสองสิบเอ็ดเนี่ยเธอมีความทุกข์มากเลยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยใส่ใจในตัวเธอเท่าไหร่นะพ่อแม่มีแต่ชื่นชมลูกคนโตกับคนที่สองตัวเธอคนที่สี่นะ พี่สาวคนโตพี่สาวคนที่สองนี่หน้าตาดีเรียนเก่งแม่ก็ชมนะสองคนเนี้ยแต่ไม่เคยพูดถึงตัวเธอเลยนะชมก็ยังไม่ค่อยชมเท่าไหร่เจออย่างนี้บ่อยๆครันะเธอรู้สึกว่าตัวเองเนี้ยนะไม่มีความสำคัญเกิดปมได้รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าจิตใจก็เลยเศร้าหมอง ไม่มีความสุขเลยแในวันหนึ่งเนี่ยครูเนี่ยพาเธอกับนักเรียนร่วมห้องเนี่ยไปเยี่ยมบ้านพักคนชราบ้างไปเยี่ยมเด็กกําพร้าบ้างและมีคราวนึงก็ไปเยี่ยมค่ายผู้อพยพผู้ อ, พย พ, อพยพนี่มาจากเวียดนามนะตอนนั้นเกิดสงครามเวียดนามคนเวียดนามก็อพยพทางเรือบางทีก็ไปฮ่องกง ก็กลายเป็นผู้ะยพแล้วก็มีค่ายเธอก็ไปเยี่ยมนะเห็นสภาพของคนในค่ายแล้วก็รู้สึกว่าโอ้หน้าหดหูนะไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่ผู้ใหญ่นี่ก็อยู่อย่างลําบากเธอเลยได้คิดเลยนะว่าโอ้ยมีคนที่ทุกข์กับเราเยอะเลยนี่เขาพัฒนาค่ายที่อยู่เขาก็ไม่มีบ้านอาหารการกินก็ลําบากเพิ่งมาเห็นนะว่ามีคนทุกข์มากกว่าตัวเอง หรือความทุกขอเกินนี่มันดูเล็กน้อยไปเลยแต่เธอไม่ได้คิดแค่นั้นนะเธอทำด้วยนะอยากจะช่วยคนเหล่านั้นก็เลยไปหาทางระดมะเงินบริจาคจากนักเรียนด้วยกันวิธีการคือว่าเล่นกีตาร์ร้องเพลงเวลาเที่ยงเพื่อรับบริจาคเงิ น, นเอาเงินไปช่วยผู้ อบพยพผู้ลี้ภัยในค่ายที่แรกก็ทำเฉพาะในโรงเรียนของเธอนะแต่ต่อหลังก็ไปทำในโรงเรียนอื่นด้วยระดมเงินด้วยการร้องเพลงเล่นกีต้าร์เธอก็ทำอยู่เป็นปีนะและ้ววันนึงก็พบว่าเนี่ยเธอกลายเป็นคนที่สดใสร่าเริงกล้าแสดงออกมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เปลี่ยนไปเลยนะจากเดิมเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่มีความสำคัญรู้สึกหม่นหมองแต่ตอนนี้กลายเป็นคนที่สดใสร่าเริงกล้าแสดงออกความสดใสร่าเริององเธอก็แสดงออกทางเพลงที่เธอร้องแล้วก็บันเลงเมื่อเธอก็มา น, นึกว่าทำไมเราเปลี่ยนไปเพราะอะไรนะเธอก็พบว่าเป็นเพราะเธอ ลืมความทุกข์ของตัวเองนะตัวใช่คาว่าลืมตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าไปจดจ่อใส่ใจอยู่การช่วยคนที่เขาเดือดร้อนทำยังไงจะให้เขามีเงินนะที่จะช่วยประทังชีวิตหรือว่าทำให้มีความเป็นอยู่ในค่ายดีขึ้นพอไปคิดถึงคนอื่นมากเข้านะมันก็ลืมความทุกข์ของตัวเองไปแล้วที่เคย รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาว่าแม่แม่รักแ ม, แม่แม่สนใจมันหายไปเลยก็เลยกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองกลายเป็นคนที่สดใสร่าเริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าในการที่คนเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทุกข์กว่าเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นมาไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะเมื่อเราลงมือช่วยเขาเท่านั้นนะ แต่มันยังเป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยแล้วเด็กวัยรุ่นเนี่ยหรือเด็กทุกวันนี้เนี่ยมีความทุกข์มากเพราะว่าคิดถึงแต่ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอย่างโน้นไม่มีอย่าง น, น, างนี้บางทีก็นึกถึงหน้าต่างตัวเองเปรียบเทียบกับเพื่อนๆเปรียบเทียบกับคนในอินสตาแกรใน facebook รุ่นเดียวกันวัยเดียวกันแล้วส่วนตัวเองนี่ขี้เละถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันทุกข์นะเพราะว่ามันมีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจ นะเพราะว่ามีตัวเปรียบเทียบที่ดีกว่าทำให้ทำให้รู้สึกตัวเองแย่อันนี้ก็เปรียบเทียบกับพี่น้องแต่พอไปนึกถึงคนอื่นเนี่ยทําอะไรเพื่อคนอื่นนี่มันทําให้ความทุกข์น้อยลงมีความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจช่วยทําให้มีชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นนะอย่างมีวัยรุ่นคนนึงเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยนะ ก็ชอบเที่ยวชอบชอบ็อปซื้อเสื้อผ้าแพงๆใช้เงินของพ่อแม่นีนเดือนละสา0หมื่นะอันนี้ก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วเงินเดือนที่ได้อย่างพ่อแม่นี่3 0 0ื่นที่ไม่พอด้วยแต่วันหนึ่งเนี่ยนะมีคนชวนไปเป็นจิตอาสาที่มูนิีิคนตาบอดแล้วก็งานนี้คือขายขายเสือเส้อขายเสื้อยืดเสื้อยืดกับตัวละร้อย ร้อตัวหนึ่งขายได้กําไรก็10บาท20บาทกว่าจะขายได้แต่ละตัวนี่โอ้เหนื่อยแค่10บาท20บาทหรือร้อยหนึ่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงในขณะที่ตัวเองนี่ใช้เงินนี่สูดด้วยสุดร่ายมากก็เลยรู้เลย ว, ว่าเงินเงินมันหายยากเห็นคุณค่าของเงินขึ้นมาตอนหลังเนี่ยก็ไปเป็นจิตอาสาช่วยมูลนิธิเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กตาบอดเต็มตัวมีความสุขไนงะ แล้วตอนหลังเนี่ยบอกกันว่าการช็อปการซื้อของเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะเลยแต่ก่อนใช้เดือนละสาม0 0ื่นยังไม่พอเลยแต่ตอนหลังนี่เดือนละหกพันนี่ก็พอแล้วเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยเงินมันหายากแล้วก็อีกอย่างนึงมีความสุขจากการทําอะไรเพื่อผู้อื่นไม่ต้องคือผาความสุขจากการกินการเที่ยวการช็อปเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักเข้าถึงความสุขโดยไม่อิงวัตถุนะ นะความสุกที่มาอองวัตถุนี่ก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่เด็กควรจะมีซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่ทําสิ่งที่มีคุณค่านะเป็นจิตอาสาหรือช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนหรือความสุขจากการเรียนก็ได้นะเนั้นถ้าเกิดว่าเด็กมีคุณธรรมเหล่าเนี้นะมันไม่ใช่ดีกับคนอย่างเดียวนะดีกับตัวเองด้วยมีความสุขง่ายมีความทุกข์ได้ยากแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมากขึ้น